ดเมโกปนะยตสัมโตเทกิยาธรรมาคุเดชังอาเกจันตปริมณตัลังนิวเสามีติิากรนยาปริมาณัลังตาุิามีติิากรนยาสุปติชนโออันตร a k h เรกามิสามีติจิกากรนยาสุปะชนโออันตร a k h เรนิิสามีติจิากรนยาสุสังหุโตอันตร a k h เรกามิสามีติจิกากรโนยญาสุสังุโตอันตร a k h เรนิติดิสามีติิากรนยาโอคิเุอันตร a k a เรภามิสามีติจิกากรโนยญาโอคิตจกุอันตร a k เรนิิสามีติิกากร ติทฆารนยานาอุิกายันตร a a เรนิิสมิติิฆารน้อยานอุจัิกายันตร akah เรกามิสมิติิฆารนยานอุจิกายอันตรเรนิติสมิติิฆารนยาอปัสสโอันตร a k เรกามิสัมิติิฆารนยาอปัสสโอันตร a k เรนิติติสัมมิติทิฆะารณ์นยานาารยาจจารังอันตรเรกามิสมิติิฆารนยานาปจารังอันตรเรนิติติั นาสิจักนาสิัปจาระังอันตร a k เรกามิสัมมิติสิฆากรณียานาสิจปจาระคังอันตร akah นิทิิามีติิารณียานัะกตโตอันตร a k เรกามิสมีิติทิารณยานคัมภะกโตอันตร a k เรนิิิามีติิารณียานาโอุิโตอันตรเรกามิสมีติิารณียานโอุปนิทโตอันตร a k เรนิทิทิฆามติิารณียะนาอุปิกายอันตร a k เรกามิสัมมติทิฆากรณียานาปัตติกายอันตร a k เรนิทิทิฆามีติทิากรณยาจ ารนอยาสมสูปัังปิะปัตังปะตังเกตมีทิฐิขารณ์นอยาสมาติทิาปิปตังปะตังเกตมีิฐารนอยยาสัจจังปิ ṇḍ ะปัตังุจิตามีทิฐารนอยาปะตังเกิดเหตุามีทิฐารนอยาสัาังปิปตังจิามีทิฐารนอยยาสมสูปัจังปิน ḍ าปตังุจิามีทิฐารนอยยานสูปัโตโอมัติต้ปิ ṇḍ ะปัตังผลจิตามีทิฏฐ ติากรนยาณทมหันตังค์กัลลังกิจามีติทากรน้ยาบริมัตังอโลปังการิจมีติิาการน้ยาาณนาณาหัตย์ที่กัเลมุขดวารังวิหริจามีติทิากรน้อยานาผุจามโนสังบังคัตังมเขปิปิจามีติากรน้ยานสกวเลนะมเข้นาบยหริจามีติทิาการน้ยานปิเปะกังผุญจิตามีติทิาการยญานากาวลาวะเระกังผุญจิตามีติิาการน้อยานาอวะกันปะการะก จัตยะนะจปุจปกาละกังผนจิตามีติทิฆากัรันยะนะสุสุรุกาละกังผลจิตามีติทิฆกบระโนยานะหัตถนินแลหะกังลจิตามีติทิะกับรัตโนยะนะปัตตนินหะกังผลจิตามีติทิฆากัรันยะนะอุนินเรหะกังจิตามีติติฆากบรโนยา นั่ทรามีเสนะคับเทนะปานิยทาลังปตัเกเฮนทามีติิากรัณอยาสสิทธะกงปตโวะนังอันตระคะเรจเตทามีติจิคากัรัยาัสสิทธะกลางปัตตโวะนอันตระคะเังเดามีติจิคากรัอยัิทธะกลางปตตโวะนังอันตระคะเรจเท่ามีติจิค่าัรัณยาณัะกลางปัตตะอันตะคะเังเดามีติจิคากรัณอยาณัสสิทะกลางตะนังตเ ทามีติทิารณนอยญานานักกะกัะกิลาะตัมังเดิามีติิากรณนอยญานัสยะนักกะกัจะกิลานะตัถมังเดติทิศามีติทิศากรณน้อยญานักติคาณิจินะกิลานะตัถมังเดติิศามีติทิศากรณนอยญาน่ิสัจอะกิลานะตัมังเดติามีติิารณนอยานุณไม่กัจจิสัจจะกิลานะตัมังเดติิามีิิากรณนอยญานักฌามา มังเดิสามีติทิคากัรัตัยยาณปัโตกัณัโตปุระโตกัณะตาอิลานะตะรมังเดจิสามีติิคากัรัตัยยาอุปเทนะกัณโตปุเทนะแต่กัณฑะตาอภิลานะตะธรรมังเดจิสามีติทิคากัรัตัยยาสุะราธรรมาเรศนาัณังยุตตาณทมิตโตอภิลาโนขุจาังวาปะชาบังวาเคลังวากัิสามีติติ้ากรััยยาณฮริเตอิราโนขุจารังวาปะชาบังวาเคลังวากัิสามีติทิค้ากับรัตมั กิตถะปริสุทธาตัติยังเปรุชามิกิตถะปริสุทธะตัตติยังเปรุชามิกิตถะปริสุทธะปริสุทธายัตมันโตตัตสุมาตุนมีเอวะเมตังทาระยามิ